บระมะกัลยาณมิตรตคาถาพระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดกัลยานมิตรผู้ใดอาศัยพระพุทธเจ้าคืออริยมรรคมียงคแปดเป็นกัลยาณมิตรแล้วผู้นั้นย่อมพน้นจากทุกข์ทงปวงได้พระอ น, นุ์ได้กล่าวคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีความมีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เมื่อพระอานน์กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดกับพระอานน์ว่าดูก่อนอานน์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นดูก่อน อานนท์พระนนทูนพระผู้เจ้าว่าผู้ที่มีมิตร ด, ดีมีกัลยาณมิตร ด, ดีเป็นครึ่งหนึ่งของพรมอาจรรย์ในทีเดียวแต่พระเจ้าก็บบอกว่าเธออยากก่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์ความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นทั้งหมดทั้งสิ้น ของพรอมจรรย์ทีเดียวไม่ใช่ครึ่งนึงครับเป็นทั้งดูก่อนอานอนุนพุทธบริษัทผู้มีวิตรีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีย่อมเจริญอริยมัติมีองค์แปดย่อมกระทาซึ่งอริยมัติมีองค์แปดให้มากได้อย่างนี้แลดูก่อนอานอนุนสัตว์ทั้งหลายเหล่าใด ได้อาศัยเราคือพระพุทธเจ้าเป็นกันลยาณมิตรแล้วสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเกิดได้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเกิดฟังประโยคนี้ไว้นะครับได้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความแก่ได้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเจ็บไข้ได้สัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความตายเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความตายได้ใช่เราหรือเปล่าครับ ผู้ที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาแล้วก็มีความตายเป็นธรรมดาเรารู้สึกอย่างนั้นมาตั้งต้นนะถ้าใครบอกว่านี่เป็นทุกข์ไม่ใครๆก็เป็นสัตว์โลกผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาวันที่พระเจ้าตัดสินใจออกจากวังท่านเห็นแค่ คนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมนัาแล้วราหุลคลอดออกมาท่านเป็นผู้ที่ไม่เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาแต่ท่านเห็นสิ่งนี้เป็นทุกข์แล้วท่านเห็นว่าทุกคนเลี่ยงจากสิ่งนี้ไม่ได้รวมถึงพระชายาของท่านพระนางพิมพาราหุลพระราชบิดาทั่วตัวท่านเองแล้วก็ทุกคน ท่านจึงออกสแสวงหายาเพื่อจะรักษาสิ่งนี้ให้ได้หลายคนปรามาตบอกว่าพระพุทธเจ้าทิ้งครอบครัวหากใครสักคนที่เห็นปัญหาของครอบครัวและเห็นของเพื่อนมนุษย์แล้วเขาพยายามที่จะแก้ปัญหานั้นอย่างสุดความสามารถไม่รู้ว่ายาจะมีจริงไหมทางออกจะมีจริงหรือเปล่า แล้วมันจะมีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ทุ่มเททั้งชีวิตกำลังกายกำลังใจและที่สาคัญท่านได้พบแล้วด้วยจริงๆเพราะฉะนั้นท่านไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาแต่ท่านเห็นความเกิดเป็นทุกข์ท่านไม่ได้เห็นความแก่เป็นธรรมดาท่านเห็นความแก่เป็นทุกข์ท่านไม่ได้เห็นความเจ็บเป็นธรรมดาเหมือนพวกเรา เราโชคดีที่ท่านไม่เห็นสิ่งนี้เป็นธรรมดาเหมือนพวกเราไม่งั้นวันนี้จะไม่มีการตรัสรู้เกิดขึ้นเลยหากวันนี้ใครเห็นอย่างที่ท่านเห็นแล้วบอกที่บ้านบอกว่าไม่เอาแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์จะออกไปหาสมโภคธรรมคนที่บ้านท่านจะถามว่าเดี๋ยวเดียเดียพี้ยนหรือเปล่าใครๆก็ก็เป็นอย่างนี้ผมถึงบอกว่าเราโชคดีมหาศาลอย่าปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆก็แล้วกันนะครับ สัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจได้ดังนี้เพราะฉะนั้นผู้ใด อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วย่อมเจริญอริยมรรคมีองค์ปดย่อมประธรรมให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดด้วยเหตุนี้ผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยอาการอย่างนี้แหลเพราะฉะนั้นคำว่ากัลยาณมิตรนะครับกัลยาณมิตร ที่เราหมายถึงส่วนใหญ่เราก็จะหมายถึงคนที่ชวนเรามาคอร์สคนที่แนะนําสิ่งดีๆให้กับเราซึ่งแน่นอนเมื่อกีพ้พระเจ้าก็ตรัสว่านี่ก็คือกา ร, รยานมิตรแต่กา ร, รยานมิตรที่แท้จริงที่จะพาให้เราพ้นทุกข์ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือกา ร, รยานมิตรที่แท้จริงและในความหมายของคําว่ากา ร, รยานมิตรที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกอไว้แล้วคือผู้ที่จเจริญอริยมรรคมีองค์แดนั่นเอง พ่อแม่แต่เกาะชายพระเหลืองพระพุทธเจ้าก็าไม่ได้อะไรเหมือนวักกะลิแต่ว่าหากผู้ใดมาเจริญมรรคมีองค์แปผู้นั้นจะมีพระพุทธเจ้าเป็นการายณมิตรเพราะว่าจะพ้นจากความเกิดเป็นธรรมดาความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาการายณมิตรที่เราพูดถึงดีครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ไม่เที่ยง ถ้าเขาว่าที่ไหนดีเขาก็ชวนท่านไปที่นั่นแต่คำว่าที่ไหนดีเนี่ยไม่รู้ดีจริงไหมแต่ถ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นสัจธรรมไม่มีต้องเลี้ยวกลับ ครั้งหนึ่งที่ผมไปอยู่ที่เกาะพังงนันก็เดินดูอยู่ที่วัดวัดหนึ่งก็มีภาพพุทธประวัติอยู่ที่ศาลาขณะที่ผมกำลังเดินดูภาพก็มีฝรั่งสี่คนเป็นผู้หญิงสองคนผู้ชายสองคนเป็นชาวเยอรมันเขาก็คงก็มาเที่ยวชมวัด ผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินเดินเดินดูภาพแล้วก็มายืนยืนอยู่ข้างหลังผมเขาก็ถามผมว่าอันนี้ภาพอะไรเป็นภาพพระแม่ธรณีบิดมวยผมนะครับภาพนะผมก็อธิบายเขาฟังเขาก็ตำท่าทางสนใจนะครับเ้าทาทางเขาเป็นคนสนใจเรื่องพุทธศาสนาเขาก็ถามเขาก็พูดขึ้นมาเขาก็เล่าให้ผมฟังชวนคุย เขาบอกเขาเชื่อนะเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็ก็เชื่อเรื่องของการเกิดใหม่แต่แฟนก็ไม่เชื่อเขาก็มองหน้าไปทางแฟนเขาแฟนเขายิ้มยิ้มแฟนเขาไม่เชื่อแล้วเขาก็ย้อนถามผมว่าแล้วอยู่เชื่อไหมผมก็ยิ้มยิ้มผมบอกไอ้ไม่เชื่อ ความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงก็คือความจริงใครจะเชื่ อ, อยังไงก็ได้ความจริงไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อของใครไม่ว่าอยู่จะเชื่อว่านรกสวรรค์มีหรือแฟนอยู่ไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีนรกสวรรค์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อของใคร นรกไม่ได้ไปเพราะความเชื่อนรกไปเพราะความชั่วอยู่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่ถ้าอยู่ทําชั่วอยู่ได้ไปแน่อยู่ได้สิทธนั้นเลยสมัยก่อนเราก็เรียนวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าคนในสมัยก่อนเขาพิสูจน์แล้วเ้าเชื่อว่าโลกใบนี้แบน ผมถามว่าโลกมันเคยแบนตามความเชื่อของใครสักวินาทีไหมหลังจากนั้นมนุษย์ทั้งหลายเริ่มเข้าใจความจริงเห็นแล้วว่าโลกใบนี้ไม่ได้แบนมันกลมจากการพิสูจน์เข้าไปสังเกตโลกถ้าตอนที่เขาเข้าใจว่าโลกใบนี้แบนผมบอกว่ามนุษย์มีสัมมาอัมเบียพิชชาทิฏฐิ แล้ววันหนึ่งเมื่อเห็นโลกใบนี้กลมมนุษย์ก็เริ่มมีสัมมาทิฐิอ๋อเฉพาะเรื่องของโลกนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิที่เราจะพูดถึงในมรรคอะไรนะครับเป็นคําอุปมาเฉยๆวันหนึ่งเข้าใจผิดว่าโลกใบนี้แบนก็เป็นมิจฉาทิฐิวันหนึ่งเข้าใจถูกว่าโลกใบนี้กลมก็เรียกตัวเองว่ามีสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกแล้ว ผมถามว่าโลกมันเคยเปลี่ยนมากลมตามความเชื่อของใครไหมไม่เคยมันเป็นของมันอยู่อย่างเนี้ยมันไม่แบนมันไม่กลมตามความเชื่อของใครทั้งนั้นใครจะเชื่อว่าไงโลกก็ไม่ได้หือไม่ได้อืดด้วยแล้วก็ไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้ตอบรับไม่ได้ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายกับการกระทําหรือความเข้าใจของใครทั้งสิ้น หากผู้ชายคนที่บอกว่าเกิดสมาธิถีเข้าใจคำว่าโลกนี้เมื่อเข้าใจกับโลกว่านิกลมเขาเกิดดูไปดูไปดูไปเรื่อยๆโลกมันกลมของมันอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นกับใครเลยไม่ขึ้นกับใครที่จะเห็นถูกเห็นผิดเลยมันเป็นของมันตามเหตุตามปัจจัยตราบใดที่สลายผู้ดูสลายผู้รู้โลกก็เป็นของมันเช่นนั้นเอง เมื่อสลายสิ่งนั้นไปก็หมดเหตุเกิดก็จบกันถึงวันนั้นก็ไม่เห็นมีใครมีสัมมาทิฏฐิเข้าสู่สัมมาญาณนะเกิดวิมุตติญาณทัศนะแล้วก็เข้าสู่สัมมาวิมุตติหลุดพ้นจริงๆสักทีวันแรกก็ว่าไม่รู้วันที่สอง สังเกตดูจนรู้ก็นึกว่าตัวเองมีสัมมาทิฐิจนกระทั่งสลายผู้รู้มันก็เป็นเช่นนั้นเองไม่หือไม่อือกับใครจะรู้ไม่รู้ทั้งนั้นรู้ไปกระทุกแต่วันแรกก็ยังต้องศึกษาเรียนรู้จนวันสุดท้ายก็ปล่อยไปคล้ายๆกับเลขศูนของนาฬิกาหมุนไปเรื่อยๆ แต่โคดของมันเป็นสปริงคนละชั้นเลขสิบสองกับเลขศูนย์อยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่อยู่กันคนละที่จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายกลับมาเป็นจุดเดียวกันไม่หลงผิดอีกแล้วแล้วก็ไม่หลงถูกด้วยการปฏิบัติทั้งหมดถ้าคนที่อยู่ที่เลขสิบสองบอก ตัวเองว่าตัวเองก็คือเลขศูนย์ก็คงไม่ใช่จะบอกว่าส2บสองก็ไม่เชิงแต่ก็ต้องผ่านกระบวนการของหนึ่งสองสามมาเรื่อยๆแล้วมันจะกลับมาอยู่ที่เดิมจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันเข้าถึงสัจธรรมเดิมแท้มีอยู่แค่นั้นเห็นวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลย โยคกรรมอันเธอพึงกระทาเพื่อให้รู้ว่านิทุกน่เหตุให้เกิดทุกมีอยู่แล้วในมรรคมีวงคแปดครับเกินมาเยอะแล้วนะครับบ่ายนี้คงจะค่อยๆได้เริ่มเรื่องของมรรคมาเรื่อยๆเพื่อให้ท่านทำความเข้าใจแล้วก็จะเห็นภาพรวมภายในสองสาวันที่ยังเหลืออยูนะ่เอาละครับเดี๋ยวเรามาสวดทารุป จ, จเวก จะได้รับประทานอาหาร